พวกเราทุกคนได้เวลาทําหน้าที่ของพวกเราต่อแล้วเจ้เนี่ยหน้าที่ของพวกเราคือเริ่มจากการฟังแนวทางปฏิบัติพอเข้าใจความหมายแล้วก็ กเนี่ยไม่ใช่ว่าฟังเฉยๆนะฟังเข้าใจแล้วนำเอาอันนั้นน่ะมาใช้มาฝึกพระพุทธเจ้าสอนว่าศีลธรรมน่ะเป็นเส้นทางเข้าหาสุขสมบัติมนุษย์สมบัติสวรสมบัติจนถึงนิพพานสมบัติ เส้นทางศีลธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้นึกถึงความเป็นธรรมชาติที่พวกเราเข้าใจแล้วในโลกมนุษย์เราเนี่ยประเทศไหนบ้านไหนเมืองไหนจะไปที่ใดก็มีเส้นทางไปมียวดยานพาหนะไปจะเดินทางอากักทางอากาศเครื่องบินเขาก็มีเส้นทาง เดินทางทางน้ำทางทะเลเขาก็มีเส้นทางจุดหมายปลายทางน่นนะ <c oughs> พวกเราไม่สงสัยแบบสมบัติทางโลกแต่ที่สมบัติทางธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยพวกเรายังสงสัย นั้นถ้าเผื่อผู้ใดยังสงสัยอยู่ตั้งใจฟังให้ทำความรู้ทางใจความรู้ทางใจอาศัยหลักเหตุหลักผลเคยเหตุเริ่มต้นจากพฤติกรรมนี้ผลจะปรากฏ ในวันหนึ่งอนาคตข้างหน้าจากผลการกระทาทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วฝ่ายดีแบบโลกอยู่ในขอบเขตปกครองระบบประชาธิปไตยมีกฎหมายเป็นหลักยึดตามกฎหมายถ้าใครทำตามกฎหมายนะ่ะ จะทำมากทำน้อยทำหนักทำเบาก็ถือว่าผู้ปีหน้าที่ตำแหน่งนั้นๆทำงานตามหน้าที่บุคคลผู้เขามีความเชื่อในกฎหมายนั่นะเขายกย่องสรรเสริญแต่แนวชิดของบุคคลผู้ถูกลงโทษทำโทษตามกฎหมายนะั่นมันเป็นของธรรมดา ว่าทำรุนแรงอะไรทำ น, นองนั้นไอ้ตัวเองนั่นน่ะใช้ความคิดความเห็นที่มันผิดแบบรุนแดงทำไมมาคิดถ้าเกิดความสำนึกเ อ, อินลงโทษตามเหตุตามผลนั่นน่ะเป็นการยอมรับลักษณะนี้ จึงจะเป็นระบบแ้ไกกขตัวเองและบบคคลอื่นถ้าเป็นทางที่ดีที่ถูกน่จะหนักจะเบาจะยากจะง่ายขนาดไหนมีความมั่นใจทำเพื่อให้สำเร็จประโยชน์ฉะนั้นปฏิปทาข้อวัดปฏิบัติ ของกุบายอาจารย์แต่ละองค์แต่ละองค์โดยเฉพาะองค์หลวงตาท่านนำท่านทำเป็นตัวอย่างถ้าเผื่อพวกเราฟังแล้ววิเคราะห์ในเหตุในผลมันสมบูรณ์นะน้าทำไมท่า น, นึงเข้มงวดกวดขันทำจริงทำจังรักตนานั้น กเพาะท่านรู้ว่าเชื่อมั่นตามคำสอนพระพุทธเจ้าว่าจะถึงจุดหมายปลายทางลักษณะนั้นน่ะมันต้องปราบต้องชำระต้องทำลายในสิ่งที่มันเป็นภยัยที่ท่านชำระท่านปราบท่านทำลายท่านนั้นไม่ได้คุ้นเคยเหมือนพวกเรา ที่พระพุทธเจ้าสอน่าเป็นเป็นไ น, น, น, น, นั่นน่ะท่านเห็นว่าเป็นภัยจะนั้นจึงใช้กำลังความสามารถเท่าที่จะมีกำลังต่อสู้ชำระจะนั้นเมื่อตั้งใจเรียนรู้ลักษณะนี่นำมาฝึกมาปฏิบัติตามฐานะของพวกเราทีนี้ไม่ต้องสงสัย วันหนึ่งในอนาคตข้างหน้าต้องเป็นไปเพื่อสมหวังตามความปรารถนาของพวกเราแน่นอนจะเดินแนวคิดลักษณะนี้ <c oughs> อย่างอาตมายกตัวอย่างพระองคหลวงตามมหาบัวปันตานน่ะวันนี้ก็จะให้พวกเรานั่งสมาธิฟังแนวคิดการปฏิบัติเพื่อชาระในสิ่งที่ชาระได้ยากมนุษย์ทั้งหลาย ชำระยากฟังแนวทางการชมระเพื่อถึงจุดหมายปลายทางที่พวกเราปรารถนาที่พระพุทธเจ้าสอนอันนั้นคือมรรคผลนิพพานอภ า, านเข้าใจตามหน้าที่นี่แล้วก็นั่งสมาธิฟังเนื้อหาของธรรมที่องค์ลุงตาญาเทศให้พวกเราฟังต่อไปที่นี่ พยากามเ้าหน่อยมันก็ได้นี้ไอ้ถึงก็เสียงมันต้องวานขึ้นนี่วะแล้วก็คาเทศเสียงไปดังขึ้นแล้วมันไม่สนิทตานเทปมันมีแต่เสียงมันขอไอ้เทอยู่เป็นเทพขนาดไหนนะแต่เทศยังไม่จบแล้วกำว่าเทบหมดม้วนหมดมวนนี่แสดงว่าหัวใจมันกุดด้วนมากนะมันไม่คิด เจ็ดถึงไหนมันถึงที่เทฟไหมมันหมดหร่อว่าไงสุม้านาทีพยายามห้านาทีเฉลี่ ย, นนะ ส, ยสำคัญนี่มีพระทรเท่าไหร่เดินเท่าไหร่ฮะ ฮะพระสี่ีิบสี่เงินสองใช่ไหมเป็นหกสี่จุดหกอ๋อะมาอยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้งานที่เห็นมากมายอันลงกบาลเห็นดูสวน้รงทำ ในี่ใครก็ทราบแล้วเรื่องการเข้าพรรษากำหนดเขตก็คือกำแพงสำหรับวันนี้วัดไหนก็ตชนอย่างวัดใหม่ก็กำแพงมันสำคัญก็รู้กักกนทุกองค์ทุอง์องแล้วจึงไม่จำเป็นต้องอธิบายให้ฟังมากมายในพรรษานี้ไม่ต้องเที่ยวไปที่ไหนกหตุการงาน ที่มาเกี่ยวข้องก็รู้สึกจะน้อยกว่าเวลาธรรมดาให้หมูเพื่อนตั้งอกตั้งใจตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัตินะดูโลกเกิดกับโลกคกองทุกนี้เกิดมานานแล้วนะจีกับอีกันในใจดวงหนึ่งใจของเราทุกคนนี้คือนักท่องเที่ยว ตายไม่มีวันหยุดวันย่อนไม่มีต้นมีปลายกิเลสวางสายยาวเหยียดตลอดเวลาให้สัตว์โลกพาเกิดพาตายมีเวลานี้เรากําลังจะตัดทอนวัตวันความพาเกิดพาตายจากกิเลสเราจะตัดกิเลสตัวเป็นสายหให้พาเกิดพาตายนี่ ให้ลดลงเป็นลำดับลมดาหิเลกทุกประเภณเป็นตัวให้พาเกิดพาตายทั้งนั้นน่ะสัตว์โลกมื่นบอดมาตลอดสิ่งใดจะมีอยู่เต็มกล้องฟ้ามาหาสมุทรทั่วแดนโลกกระถามันก็ปิดไว้เสียหมดแล้วจัดสัตว์ตั้งหลายออหัวชน ไปแบบไม่ลืมหูลืมตาจึงโดนตั้งแต่กองทุกขกองทุกมันไม่มองเห็นสิ่งที่เป็นโทษเป็นกรรมมีแต่ความอยากความทะเยอทะยานความดีความดิ้ดนออกจากภายในใจซึ่งเป็นตัวทะเยอทะยานตัวดีตัวดิ้ดนผลักดันออกมาไม่มีวันอิ่มพอหมุนออกมาตลอด สัตว์โลกจิงไม่มีวันอิ่มพอในความอยากความทะเยอทยานความทุกข์ก็ติดตามไปตามความอยากคือกิเลสเป็นตัวเหตุสร้างของทุกข์แต่สัตว์มันหมุนของมันไปอย่างนั้ น, นสัตว์ทั้งหลายเกิดตายเกิดตายอยู่อย่างนี้ตลอดมานะนี่ก็เลย พยายามปฏิบัติมาที่มาเป็นครูเป็นอาจารย์สอนหมู่สอนเพื่อนตลอดถึงสอนโลกทั่ ว, วไปแต่เพราะอย่างยิ่งในเมืองไทยเราเรียกว่าสอนทั่วประเทศไทยเลยนี่ในเบื้องต้นเราก็ไม่เคยสนใจว่าจะได้ทำหน้าที่อย่างนี้ มาจนถึงขนาดนี้นะมีความมุ่งมั่นต่อแดนพ้นทุกโดยถ่ายเดียวเท่านั้นเพราะนิสัยฝังมาเป็นประจำท้งแต่เริ่มบวชในอ่านประวัติพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายต ล, ลอดถึงบาปบุญนกรกสวรรค์นิพพานเกิคดความเชื่อความเริม่มใสซึ้งภายในใจ จนกระทั่งถึงหมุนออกไปเพื่อความพ้นทุกข์ได้ยินได้ฟังอัตธรรมจากพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นแล้วยิ่งถึงใจเ ร, เรียกว่าเต็มร้อยเปอร์เซนต์ใจที่มุ่งต่อแดนพ้นทุกข์ก็ได้ปฏิบัติตนเต็มกำลังความสามารถพูดถึงเรื่องความภาคเียนนี้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 การปฏิบัติเริ่มต้นตั้งแต่จิตเป็นสมาธิขึ้นมาการตะเกียบตะกายที่จะทำจิตให้เป็นสมาธินี่แทบล้มแทบตายเป็นความทรมานมากที่สุดในการตั้งรากตั้งฐานเมืองตนตะเกียบตะกายมีอันหนึ่งที่เป็นเชื่อสำคัญ ไม่ท้อถอยน้อยใจก็คือความมุ่งมั่นต่อแดนพ้นทุกนี้รุนแรงมากทีเดียวคือขอให้พ้นทุกขในชาตินี้ไม่ต้องการจะมาเกิดมาตายอีกแล้วทั้งทั้งที่กิเลสมีเต็มหัวใจจิตใจก็ล้มลุกพุกคลานแต่ความมุ่งมั่นความปรารถนานี้รุนแรงมากมาตลอด นี่ละพาฉุดพาล่าความภาคเกลียนทั้งหลายแต่แล้วความทุกข์ความลำบากขนาดไหนก็มีต่บึกบืนให้พ้นให้พ้นความทุกข์ทั้งหลายจึงไม่เป็นอุปสรรคได้นะจากการประกอบความภาคเกียนมีแต่ความบึกบืนบึกบืนตลอด ไ, ได้ปฏิบัติเต็มแม่เต็มหน่วยจนกระทั่งจิตตั้งรากตั้งฐานเป็นสมาธิขึ้นมาได้ เป็นที่ปกคุณภายในตัวเองความภาคเพี้ยนก็หนุนไปเรื่อยๆแต่ความภาคเพี้ยนในขั้นสมาธินี้รู้สึกจะเป็นความตายใจโดยไม่รู้ตัวเพราะมันมีเรือนอยู่มีธรรมคือความสงบเปลี่ยนใจเป็นเครื่องอยู่งันก็หมุนอยู่กับความสงบเปลี่ยนใจทำสมาธิให้แน่นหนามั่นคงขึ้นไปขึ้นไป ทั้งๆ ท, ที่มันแน่นหนามันคงแล้วมันก็เหมือนน้ำเต็มแก้วมันก็เินอยู่ในน้ำเต็มแก้วนั่นคือสมาธิเต็มภูมิจนถึงนนขนาดที่คิดว่าจิตในภูมิสมาธิที่เป็นอยู่ในเวลานั้นแหละจะเป็นนิพพานจะเป็นนิพพานมันจึงได้เินอยู่ในสมาธิรอพ่อแม่ครูอาจารย์ มาฉุดลากขึ้นจากสมาธิแล้วก็ก้าวเดินทางด้านปัญญานี่ละตอนปัญญาออกนี่ผิดคาาผิดหมายผิดความร้นเตาคาเนยใดๆทั้งนั้นเพราะเกิดขึ้นจากหลักปัจจุบันของปัญญาล้นลวนนิรละจิต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 สติปัญญาเกิดแล้วหักกันหักกันพิกกับพิกกับพิกกบพเือ์มาดเข้าพอสติปัญญามีกำลังมากแล้วหมุนกลับหมุนกลับนี่เป็นอัตโนมัติอัตโนมัติความรู้ความฉลาดที่เกิดขึ้นภายในจิตใจนี้คาดไม่ได้นะผมพูดตามนิสัยของผมเองนะอันนี้มันอาจจะขึ้นอยู่ตามนิสัยวาจนาก็ได้ แต่สำหรับนิสัยวาตนาหรือการบำเพ็ญของเรานี้ปัญญานี้เลยคาดเลยคิดความหมุนของปัญญาคาดคิดไม่ได้เอ็นขึ้นตลอดเวลาหมุนติ้วอต้วออกทุกแง่ทุกมุมเรียกว่าออกรอบตัวเลยในจิต ด, ดวงนี้นะทั้งๆที่กิเลสก็ยังมีอยู่ออกรอบตัวหมุนรอบตัวค่ากิเลสรอบตัว เป็นลำดับลำดาไปเลยนี่เรียกว่าสติปัญญาขั้นอุตโมัติเป็นตัวของตัวขึ้นมาแล้วในขั้นนี้โดยไม่อาจสงสัยเลยในเรื่องมรรคผลนิพพานไม่สงสัยแล้วก็วหนึ่งว่าเอื้อมอยู่ชั่วเอื้อมชั่วเอื้อมเพราะฉะนั้นความภาคเพียนในสติปัญญา <c oughs> ประเภทนี้จึงไม่มีวันมีคืน ยีนเดินนั่งนอนเว้นแต่หลับเท่านั้นจะทาหน้าที่ของสติปัญญาเพื่อสังหารกิเลสไปโดยลาดับลาดาตลอดเวลาตลอดเวลาตั้งแต่เริ่มแต่ยังนอนจกนกระทั่งหลับหลับก็ยังไม่อยากหลับไม่หลับบางคืนตลอดรุ่งเลยก็หมูนนี่คือสติปัญญาทำงานหมุนเป็นธรรมจักรตลอดเลย ถ้าผู้เป็นแบบเดียวกันแล้วก็เข้าใจทันทีถ้าไม่เป็นด้นเตาอย่างไงก็ไม่ถูกทั้งนั้นแหละหากผู้มีนิสัยมาสนาเกี่ยวโยงกันมันเป็นคล้ายเขื่กันนี้จะเข้าใจกันได้ทันทีในสติปัญญาขั้นนี้สำหรับผมเองเป็นอย่างนั้นมันหมุนรอบตัวรอบตัวรอบตัวตลอดเวลาถึงเวลาจะหลับจะนอนนอนไม่หลับ สติปัญญาทำงานตลอดเวลาด้วยความหมุนเพื่อความพ้นทุกข์หมุนตลอดเวลาพเพื่เกินแก้ที่เลือ่ากี่เห ล, เลืเหมือนเลวัดปรลุมบอลกันตลอดเวลาเลยถ้าเป็นมวยก็เข้าวงในตลอดแม้ทั้งนอนไม่หลับกางคืนนอนไม่หลับมีอนอนจะให้นอนอเพื่อจะหลับ แต่งจิตมันไม่ได้ถอยงานสติปัญญาไม่ทำงานตลอดเวลาเนื่องจากนอนขึ้นมานั่งนั่งก็นั่งภาว น, นานอนก็นอนภาว น, นาลงไปเดินจงกรมก็มีแต่เรื่องภาว น, นาสุดท้ายก็แจง้งไม่หลับเลยเอากลางวันยังจะไม่นอนอีกยังหมุนตลอดเวลาจน เหน็ดเนื่อยเมื่อยล้าสังขารร่างกายอ่อนเพียในหมักหัวใจภายในนี่ก็อ่อ น, มนเมื่อมันไปไม่ไหวเลยจริงๆแล้วมันจะให้ตายจริงๆความเพียร น, นี้ไม่รู้จักเป็นงจักตายต้องได้ยับยั้งเข้าสู่สมาธิหักเข้ามาบัางคับเข้ามาสมาธิก็เต็มก็เต็มภูมิทีเดียวเรียกว่าน้ําเต็มแก้วแกมูลาปัญญาออก ข้าวเดินแล้วปัญญามีน้ำหนักมากกว่ามีอนุภาพมากกว่าเกินกว่าที่จะมาสนใจกับสมาธินั่นประหนึ่งว่าสมาธินี้ไม่มีเลยมีแต่ปัญญาร่วนๆหัดปิดเข้ามาสู่สมาธิไม่ยอมเข้านะเพือนในการในทางปัญญาต้องได้เอาอย่างหนักแน่นถึงขนาดที่ว่าได้นำคำบริกรรมมากากับ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 ขี่ยิบลงไปเมื่อไม่ยอมให้มันออกแล้วมันก็สงบสงบจากการพิจารณาทางด้านปัญญาหมุนเข้ามาสงบแน่วเลยโห้ทีนี่เหมือนถอดเสี้ยนถอดน้ํามนะพอจิตเข้าสู่สมาธิแน่นปังทันทีแหละทีนี้เมื่อมันเข้าถึงที่แล้วอมันเหมือนถอดเสี้ยนถอดหําความสุขความสบายเบ่าไปหมด ร่างกายจิตใจเบาแปรตามกันหมดบางคับไวนน้นานจิตที่ลงสู่สมาธิแล้วยังต้องบังคับถ้ารามือไม่ได้ติดออกหาปัญญาเพราะปัญญามีกำลังลุน่แรงมากทีเดียวต้องบังคับไ ว, ไว้จนกว่าเห็นสมควรแก่ เ, เวลาและกำลังวางชาว่ามี ความสงบเย็นใจมีกําลังวางชาต่างด้านจิตใจแล้วก็ปล่อยพอปล่อยก็ดีดพึงอะไรละเพราะมันจะออกอยู่แล้วเมื่อถึงขั้นได้ล้างล้างอย่างนั้นล้างเข้าสู่สมาธิปัญญานีหมุนตลอดเวลาเพราะฉะ น, นั้นไปกับใครอยู่กับใครไม่ได้เลยต้องอยู่คนเดียวไปคนเดียวในยาบททั้งสี่ไม่ปรากฏเลยว่าได้เผอขณะไหน นี่เรียกว่าสติปัญญาอัตโนมัติและอยาเข้าไปก็เป็นมหาสติมหาปัญญาเป็นสติปัญญาในหลักธรรมชาติอยู่ตลอดเวลาเลยเรื่องกิเลสั้งแจ่กิเลสที่หยาบเฉพาะอย่างยิ่งคือกามากิเลสปัญญาต้องผ่านโพนโจรทยานมากทีเดียวกับกิเลสตกขยะนี้ มันเป็นเองสำหรับผู้ปฏิบัติประหนึ่งว่าน้ำนี่ไหลโจนลงจากภูเขาเสียงดังซ่าซ่าซ่าเลยนี่แหละสติปัญญาขั้นนี้ทำงานเกี่ยวกับเรื่องราคะตัณหานะเพอสภาพนี้ผ่านไปได้แล้ว <c oughs> หมดไปได้แล้วปัญญาขั้นกลางละที่นี่ไม่ผาดโผน เหมือนขั้นปัญญาเกี่ยวกับเรื่องราคาตัณหานั่นแหละจากนั้นเป็นสติปัญญาอัตโนมัติที่หมุนไปเรื่อยๆเรื่อยๆอะไรแล้วเรื่องของกิเลสก็อ่อนลงไปอ่อนลงไปเมื่อราคาตัณหามันสิ้นไปจากใจสิ้นได้ระดับนะเพราะฉะนั้น ผู้สำเร็จเป็นเป็ น, ปนพระนาคามีจึงจึงมีสถานที่รับรองต่างกันได้ระดับก็อวิหาเนี่ยอัตปาสุรัสสาสุรสัรสศีอาการณิฐานี่เป็นที่อยู่ของพระนาคาทั้งนั้นได้ระดับแรกก็หากตายก็เข้าสุบุตร อะไรตะกี้เนี่ยอย่างนั้นนับูดแล้มันก็นลืแล้วมันก็ค่อยเลื่อนตัวไปเองเป็นลำหลับลำดาเนี่ยคา่าสอบก็เรียกว่าสอบได้ในขั้นอะไรขั้นลืมยากตะกี้นี่ที่ว่าไงอ น, นาคาณิห่าชั้น สุทวาธาตุชันอวิหามีระดับนี้เป็นระดับที่ว่าสอบถ้าเป็นสอบก็สอบได้จากนั้นก็ให้เลื่อนระดับไปละเอียดไปละเอียดไ ป, ดไปขึ้นไปนี่แหละไม่ใช่ว่าได้แล้วขาดหมดจริงๆนะได้ส่วนส่วนตัวสําคัญขาดไปแล้วหิ่งก้านสาขาของมันยังมี มันก็ตัดเข้าไปตัดเข้าไปละเอียดเข้าไปยจนกระทั่งขนคันอคติถาเต็มภูมิอคติถาแล้วก็นิพานไอ้มันเห็นประจักษ์อย่างนั้นที่การปฏิบัตินี่ไม่ถามใครนะมันหากเป็นหากรู้ภายในใจตัวเองที่ทรงส่งสอนมาแล้วอย่างไรไม่มีเคลื่อนคลาดนะมันเคลื่อนคลาดมันถูไถ่ายเรื่องแต่พวกเรา ที่ไม่รู้ไม่เห็นจนงระทั้งที่ว่าเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างและไม่เชื่อนนะเพราะความมืนบอดของตัวเองนี่จิตเวลามันเข้าถึงขั้นที่มันควรจะรู้แล้วทาเหล่านี้ปิดไม่อยู่เลยพระจับกับใจกระจับกับใจตลอดตลอดตลอดพอถึงขั้นกมิฐาพ้นจากนั้นแล้วก็ดุเพิ่งเลยนะอ่านว่านิพพานคือสิ้นแล้วเรื่องสมมติโดการทั้งปวง อวิชชาขั้นสุดยอดของอวิชชาก็ไปสุดยอดที่ตรงอคติฐานะเต็มยอดตรงนั้นจากนั้นก็เรียกว่าอาวิชาดับก็เป็นนิพพานขึ้นมานี่การปฏิบัติมันเห็นได้ยากชัดเจนอย่างนั้นเองนี่การปฏิบัติของเราเป็นอย่างนั้นที่พูดนี่พูดเอาย่อๆนะ เราพูดสรุปความเรมาย่อๆในภาคปฏิบัติที่ประจัก์กับใจไม่ได้ถามใครรู้ที่ตรงไหนแม่นยำแม่นยำหายสงสัยเรียกว่าสันทิิโกติดแนบติดแนบไปเลยทุกขั้นทุกภูมิของธรรมจนกระทั่งถึงขั้นที่ว่าคาสวรนไปนุบนรรดาสมมุิอวิชาปาัจญาคาต่อหน้าต่อตาประจั์ในหัวใจ ยังได้พูดในเวลาเทศเป็นบางเป็นบางกันเป็นบางเวลาอันเ <c oughs> ป็นหนึ่งว่าฟ้าดินถลม่มระหว่างอวิชชากับจิตขาดสะบั้นจากกันลงไปนั้น <c oughs> เหมือนฟ้าดินถล่มเลยร่างกายนิ้วไหวอึ่งเลยชันทีรุนแรงขนาดนั้นเหมือนฟ้าดินถล่มทอเดียวนี่แหละมันรุนแรง พร้อมกับอุทานที่ขึ้นมาในขณนะนั้นทันทีขึ้นมาขึ้นมาอุทานขึ้นมาด้วยความปั ส, สจัญที่ได้รู้ได้เห็นธรรมประเภทที่ไม่เคยคาดเคยคิดนะอันนี้นขั้นการมรลาคาสิ้นไปถึงขั้นควรกันกับขั้นอนานิษฐานี่จะไปคาดที่พ่านไม่ได้น ะ, ะเพราะนี่เป็นขั้นที่เรกอยู่ พอพิเลสเหล่านี้ขาดบั้นไปหมดแล้วไม่ต้องขาดก็ประจับ ก, กับตัวเองโดยสิ้นเชิงไม่ต้องถามหานิพาไม่ต้องถูลถามพระพุทธเจา้าให้พระองค์ทร ง, งตำหนิติเตียนอย่างแรงว่าสารทิตโกเราตาตาคดประกาศให้แล้วเอาไปทิ้งลงทะเลทวีกไหนนะ่น นี่ะประกาศขึ้นโดยสันธิฏิโกจึงไม่มีใครถามใครเมื่อถึงขั้นที่สุดจุดแดนแล้วสันทิฏิโกขั้นสุดท้ายก็ประกาศคุ้มคร้องกันเลย <c oughs> นี่ละที่วัาอนอานมันเป็นเรื่องแดนอัตจัรย์ที่สำหรับเป็นในกิทั้งผมเองนี่เป็นอย่างสะเทือนสะทานแสดงว่าโลกทาตกระเทือนไปหมด เราก็ไม่อยากจะพูดถึงเรื่องเทวุตเทวดาใครว่าเทวดาไม่มีเทวุตไม่มีพักวาบอนว่างั้นเอยมันต้าขึ้นพร้อมกันไปหมดดังที่ผู้เจ้าทรงสแสดงไว้ใ น, ในธรรมจักรปปุวัตนาสพยานจาริัสสาสีโลกธาตุสร้างกัมปีสัมประกมปีสัรรมประเวทีนั่นนั่นหละแต่เครื่องยืนยันกันได้เลยกับหัวใจดวงที่เป็นอย่างนั้นนะ ไม่มีอะไรไม่ได้วัดรอยหาเป็นธรรมชาติอั น, อนเดียวกันเลยเถึงธรรมชาตินี้แล้วไม่มีใครสูงใครต่ำนับแต่พระพุเทธเจ้าลงมาถึงสาวกองสุดท้ายเป็นธรรมชาติอันเดียวกันเพราะฉะนั้นธรรมชาตินี้จึ ง, จงกลมกลืนเป็นอันเดียวกันได้ดังที่เป็นในคื น, ว, นวันที่เป็นอยู่ร้องวัดรอยธรรมเจดีย์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 ว่าพุธก็ดีธรรมก็ดีสงฆ์ก็ดีนั่นมาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้อย่างไง น, น, นั่นแหลเพราะฉะนั้นท่านจึงว่าไม่นัตติเซยโยปาปโยเมื่อถึงขั้นบริสุทธิ์เต็มสัด เ, เต็มส่วนแล้วนั้นไม่มีใครยิ่งใครย่อน <c oughs> ต่างกันเลยเหมื อ, อนกันหมดเนี่แหละว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นอันเดียวอันหนึ่งอันเดียวกันนั่นหมายถึงว่าเป็นธรรมธาตุาแล้วนั่น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 นั่นแหละเราไม่ถามใครเธอเข้าไปอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นก็จะให้พูดว่าอย่างไงขอเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้อย่างไรเป็นอย่างนี้เอง่ <c oughs> เรียกว่าธรรมธาตุนั่นนี่แหละมันเมื่อเป็นขึ้นแล้วไม่ต้องถามใครก็จับในหัวใจชะเตือนจะทา้าเทวดาอ่นคุมปรสานเขียงถึงกันั้หมดเลย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 ท่านทรงรู้ทรงเห็นท่านเป็นมาอย่างเดียวเห็นอย่างเดียวกันตาทั้งท่านเห็นอย่างเดียวกันไม่เหมือนคนตาบอดอวดรูด้ววะะลกว่ดฉลาดลบล้างคําสอนของพระพุทธเจ้าว่วาเทบุตรเทวดาไม่เหม่ยงเนี่ยพวกนี้พวกทําลายศาสนาไม่มีชิ้นดีเลยนี่คือพวกทําลายศาสนาโดยแท้ใครเป็นคนสอนไว้เทบุตรเทวดาอินผมทั้งหลาย ยกตัวอย่างเป็นเอกเทศที่ดางเด่นชัดก็คือที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงในมหาสมัยยโส น, นเป็นงไงพระองค์ทรงรับสั่งนันั่นกับสาวกทั้งหลายบรรดาสาวกคราวนั้นมาไปมีห้าร้อยอุกอยู่ในป่ามหาวัน <c oughs> ทรงรับสั่งว่าวันนี้ให้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 พระพุทธเจ้าทรงแสดงสรุปแล้วพระพุทธเจ้าทรงทรงรู้ทรงเห็นจนกระทั่งถึงโคตรถึงแท่นูหน้านะฟังสิชื่อว่ายัางไงยังไงออกหมดในมหาสมัยยรนั่นพิจารณาเลยนี่ละสูตรนี้เป็นสูตรที่ใหญ่โตมากเดีย๋ยวก็พวกเทพทั้งหลายในมหาสมัยยศแล้วมาปฏิเสธอย่างหน้าด้าน ว่าเทวดาไม่มีนี่คือพวกทำลายศาสนาอย่างแหลกเกลียวไม่รู้เนะื้อรู้ตัวเลยพวกขีดปฏิเสธเทวดาไม่มีก็อยู่ในคำสอนของพระพุทธเจา้าอยู่ในวงศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเช่นเดียวกันกับสอนมนุษย์เนี่ยอย่างที่ท่านแสดงเป็นพุทธกิจห้าก็เห็นอยู่แล้วนั่นเทศสอนประชาชนตอน บ่ายตอนตอนเย็นตอนค่ำก็เทศน์สอนพระตอนหกทุ่มก็แก้ปัญหาและเทศนาอบรมเทวดาทั้งหลายไงตอนอปัจจิมยามก็เลี่ยงยานดูสัตว์ทวรโลกสุดท้ายก็เสด็จออกบินเาวดานี่พุทธกิจห้าคืองานของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะเทวดาลกได้ไหมลนั่นอัตราเตอเทวปัญหากังนั่น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 คนที่ใจบอดใจหนาใจแน่นมันก็แบบเดียวกันชอบโม้ชอบคุยชอบโอ้ อ, อวดชอบดลบล้างความจริงทั้งหลายให้เป็นของจำลองไปโดยถือว่าเป็นความจริงสําหรับคนโง่คนนั้นนี่ละเราพูดถึงเรื่องอเทวุทรเทวดาสิ่งเหล่านี้ไม่พูดผมเองผมไม่พูดนะเพราะไม่ใช่วิสัยที่จะนามาพูดเรื่องของสิ่งเหล่านี้ เป็นอริยสัตว์ต่างหากที่จะนำมาสั่งสอนสัตว์โลกตลอดพระผู้ตั้งใจอระพริบปฏิบัติอันนั่นเป็นจิิงปีบย่อยที่เกิดขึ้นตามนิสัยวาสนาควรไปเป็นประโยชน์แก่พวกเหล่านั้นยังไงก็ต้อนรับกันเองแสดงกันเองไม่เกี่ยวกับมนุษย์นำมาพูดค้าเขากับมนุษย์ทำไมเดี๋ยวพวกเทวทัมันจะมันจะมาต่ยหน้าผาเขาอยูว่าเทวดามีที่ไหนมันก็จะว่าันนั้น นี่หละเร่องเทุดาเทวดาก็เหมือนกันกับสัตวโล ก, กทั่วไปมีลบล้างกันได้อย่างไรนั่นพวกกายที่นี่อันนี้พวกกายหยาบแม้แต่กายหยาบสิ่งที่ละเอียดกว่าตาเนื้อของเราจะมองเหง็นเป็นอย่างงี้เช่นเชื่อโรคอย่างนี้ตาเนื้อดูธรรมดาเห็นเมื่อไหร่ต้องเอาเครื่องืจุลทัศน์ร้องจุลทัศน์ทับลงไปถึงได้เห็นเชื่อโลกนั่นตั้งแต่ด้านวัตถุมันก็ มันยังมีลี้ลับในสายตาของเราได้ด้านนมามธรรมมันก็มีอย่างนั้นเหมือนกันะเราไม่เห็นแล้วไปลูบล่างได้ยังไงนีหละการปฏิบัติศาสนาในชาตินี้ผมพูดจริงๆนะผมได้ปฏิบัติเต็มกําลังความสามารถไม่มีสงสัยการประกอบความภาพเลี่ยนไม่ได้กาหนดตนเองเลยว่าในจุดนั้นเวลานั้นระยะนั้นมีอ่อนท่อถอยอ่อนแอไม่มี ไม่แต่ให้เกิดความขยะข ย, ะขยะักคือน้ากลัวความเพียนของเราที่บำเพ็ญมาส่วนที่จะได้ตําหนิความเพียราย่่อหยอดอ่อนกําลังท้อถอยอ่อนแอหรือท้อแท้เหลวไหลอย่างนี้ไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นความเพียรมันถึงแต่กทุกเวลาเวลาเพราะความมุง ม, มั่นต่อแดนป้นถุกนั้นมันเต็มหัวใจตลอดเวลาธรรมะโอการความภาคเพียรมันจึงอ่อนไม่ได้นะ ความเพียนประเภทไหนมันผ่าโผานโจรทยานจริงสำหรับผมเองนะตอนนี้สัยผ่าโผนแต่คิดดูสิอย่างวันนั่งหามรุ่งหามค่ำใครนั่งได้มาอวดดูสิหนาะเนี่ยนี่มันนั่งได้จะว่าไงแ ล, แล้วเก้าคืนสิบคืนมันนะนั่งตลอดรุ่งตลอดรุ่งเป็นแต่เพียงว่าไม่ติดกันทุกคืนคือเว้นสองคืนบ้างสามคืนบ้างบางทีนานๆมีถึงถึงอาทิตย์หนึ่ง นั่งตลอดุ่งที่หนึ่งก็ไม่ส่วนมากมักจะอยู่เว้นสองคืนสามคืนเนี้ยทั้งที่เจอขนาดก้นแตกนั่งบางต่นก็ออกร้อนเป็นฟื น, เ ป, น, เ, ปนเป็นไฟหมดทั้งก้นยังไม่แตกนั่งย้ําเข้าไปย้ําเข้าไปจ า, อ, าออกร้อนในก้นแล้วก็พองจาพองก็แตกจากแครก็เลอะนั่นฟังสินั่น นี่แหละเรื่องความภาคเกลียนมันไม่ได้สนใจกับสิ่งเหล่านี้นะสนใจตั้งแต่อัตตาธรรมที่ได้ปรากฏขึ้นแบบอัจจุรันในวันที่นั่งตลอดล่งทุกขคืนไม่มีพลาดเลยนั่งที่ว่าตลอดล่งคืนไหนเป็นความปัจจรบันที่ได้รับอย่างถึงใ จ, ถ, งใจถึงใจทุกขคืนเลยด้วยเหตุนี้จิตใจมันถึงพาดโผล่โจนโทยาร่างกายถึงขนาดก้นแตกกยังไม่สนใจนี่ข้าพ่อแม่ครูอาจารย ไม่ม า, ากระตกรืว่ไม่มาล้างเอาไว้นี้มันยังจะเอาอีกอยู่นั้นๆจนกระทั่งท่านขนหน้าออกพอขึ้นไปนั่งปั๊บนี่เลยนะยังไม่ได้พูดคําไหนนะฮิเลตมันไม่ได้อยู่ที่กายนะมันอยู่ที่ใจนั่นท่านว่านะมาตัวอะไรที่มันผ่าผลโจรทะยานพยศมากนี่สารถีฝึกมาเขาจะทรมานอย่างหนัก ไม่ควรกินหญ้าไม่ให้กินไม่ควรกินน้ำให้มันกินเอาจนเต็มหยอดจนกระทั้งมันรถพยศลงมาลงมาการทรมานเขาก็ค่อยรู้ตรงไปจนกรตทั่งมันใช้งานใช้การได้เรียบร้อยแล้วการทึกขทรมานอย่างนั้นเขาก็เขาก็หมดปัญหาไปท่านพูดีย่างนี้ท่านไม่ได้ย้อนมาว่าหมาตัวนี้มันเลยมาแล้วนะท่านไม่ได้ว่าให้เราอย่างนั้นคือว่าหมาตัวนี้นั่นเหมาะ มันถึงใจเรา น, ะนี่แหละธรรมะไม่มีหยาบคือให้มันถึงใจเป็นธรรมด้วยกันทั้งนั้นแหละท่านมัได้ว่าเท่านั้นไาหมาตัวนี้มันไม่รู้จัก c o m มาณท่านท่านมา่นจะว่าท่านพูดเท่านั้นเราก็จับได้เพราะนี้มีแล้วในบาลีเราเรียนผ่านมาแล้วนี่ถึงขั้นด้วยนี้ใส่มันผ่าโผล่ตัวอย่างนั้นจริงๆทำอะไรมันผ่าโผล่มากจริงท่านเวลาท่านสอนเราท่านจึง ไม่ได้สอนธรรมดานะคุยกันธรรมดาอย่างนี้เหมือนพ่อกับลูกนะคุยกันธรรมดาพอหมุนเข้าสู่ธรรมนี่เปรี้ยงเลยกับเรานะเพราะท่านรู้นิสัยอันนี้ผ่าดผลโจรทะยานเอาจริงเอาจังพูดอ้ออย่เลาอพูดเบาๆอย่างนี้มันไม่ถึงใจของคนนิสัยอย่างนี้อพอหันทางธรมาเทานั้นเสียงท่านจะเปรี้ยงเปรี้ยงขึ้นเลยทีเดียวเนี่ยเนี่ยเพรารู้นิสัยท่านวาง ธรรมะให้เหมาะเจาะ ก, กับนิสัยของเราเหลือเกินสาหรับพ่อแม่ริการนั้นนี่เราก็ได้ปฏิบัตินี่เราพิจารณานั้นมาแล้วก็ผมก็ไม่เคยใดคิดที่ว่าจะทำหน้าที่ทำประโยชน์แก่โลกสงสารนั้นะแต่อำหน้าแห่งความเมตตาเนี่ยมันเหลือล้นในหัวใจเราจึงได้ทำประโยชน์ให้โลกตั้งแต่เริ่มมาสร้างวัดป่าบาันตา มีเท่าไหร่เป็นไม่เหลือไม่เหลือเลยเพราะอำนาจความเมตตา ม, มีกำลังมากบาดออกหมดกวาดลงสงเคราะห์สงหาทุกประเภทของบุคคที่ควรจะได้รับการสงเคราะห์ดังนั้นก็สร้างโรงร่ำโรงเรียนสถานสงเคราะห์ที่ราชการต่างๆยังที่เห็นนี่แนะจนกระทั่งโรงพยาบาลเวลานี้นุ่มก็ได้ร้อยกว่าลงแล้วา มีอะไรติดเนื้อติดตัวนี่แหละอํานาจแห่งความเมตตาต่อโลกต่อสงสาระนั้นจึงไม่มีอะไรที่จะมาคิดที่จะมาคิดว่าเราจเจ็บเงินไว้เพื่อเราผมไม่เห็นปรากฏในหัวใจผมเลยไม่ตั้งแต่คิดเพื่อโลกเ่อโลกแม้ไม่มีมันก็ยังคิดสงสารอยากจะให้ตอหอลอดเวลาแล้วจะ อ, อะไรมาเก็ดชุมวัติทั้งหลายนี่ยิ่งได้ออกช่วยโลกช่วยสงสารดังที่เหตุการณ์ปรากฏขึ้นมาบ้านเมืองเรา มันเองมันเรียงจะถะะะ ล, ล่มล่มจมลงไปแล้วก็ด้วยความสงสารก็าได้ช่วยอาวุบายต่างๆช่วยพี่น้องชาวไทยดังที่เดินเป็นผู้นําอยู่ลา น, นี้นี่ออกด้วยความเมตตาสงสารล้วนๆนะเราไม่เคยมีอที่ว่าจะมีชื่อมีเสียงดงัดงๆดงัดงๆอะไรอย่างโลกที่เละมันมีแล้วไม่มีเราพอทุกอย่างแล้วมีแต่ความเมตตาสงสาร การนำพี่น้องชาวไทยเราตั้งแต่เริ่มแรกมาจนกระทั่งบัร น, นี้นำด้วยความเมตตาสงสารทาง <c oughs> ด้านวัดผูก็เป็นุขอบิดาบ่าเชื้อเชิญพี่น้องทั้งหลายให้ร่วมมือร่วมใจด้วยความรักชาติของตนเสมอกันแล้วมีเท่าไหร่ก็รวมกันเข้ามาลงไปดังที่ได้นำเข้าสู่ข้างหลวงเวลานี้ทองคำก็ได้สองพันกิโลหกที่แปด 2,068 กิโลแล้วเวลานี้นีไ่ได้มาแล้วนะนี่แหละส่วนดอนลา่างอันนประมาณทด่เข้าแล้วนั้นสี่ล้านกว่าเวลานี้ก็ยังจะจะถึงล้านอยู่แต่เวลานี้ยังไม่ถึงก็ขาดไม่กี่ดอนแลละอันนี้ก็เก็บขอเข้าอที่เก็บไว้ก็มีที่เข้าสู่ครังหลวงแล้วก็มี <c oughs> สำหรับเงินสดนั้นเวลานี้มันก็ได้ถึงแปดร้อยห้าสิบกว่าล้านได้แปดร้อยล้านนี้ผมจะหักเอาไว้คือเงินสดนี้ได้พูดมาตั้งแต่ต้นแล้วต้นโครงการช่วยชาตินะเง <c oughs> ินสดเราจะไม่นำเข้าสู่ครังหลวงเราจะให้เป็นเงินหมูมียนช่วยทั่วประเทศไทยตรงไหนมีความบกคล้องขาดเขินตรงไหน <c oughs> ก็จะ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 ทั้งๆที่เราจะนำไปทำอย่างที่ว่านะหากกลับมาเพราะเราไม่ไว้ใจสาหรับผู้รับไปย้อนขมาเป็นเราเป็นผู้ทำหน้าที่เสียเองเงินจานวนเหล่านี้เราจะนำออกมาช่วยโลกด้วยเราเป็นผู้จัดผู้ทาเป็นผู้เก็บผู้รักษาเป็นผู้จะตายเสียเองจะเป็น ค, ความธรรมชาติที่บริสุทธิ์พุดของเต็มหัวใจเราผู้เดียว กับการแสดงกจะเป็นอันเดียวกันนะ <c oughs> เราจรึงได้พักอนันต์ไว้ไม่เข้าโครงการมากเหมือนแต่ก่อนหมุนเข้ามาโครงการที่เป็นพื้นฐานซึ่งเราได้ทําอยู่แล้วนี้เนี่ยอ้อช่วยโลกช่วยสงสารโดยตัวของเราเป็นผู้จัดทําเองส่วนแปดร้อยล้านนั้นเราได้ประกาศแล้วว่าเราจะนําเงินแปดร้อยล้านนี้เข้าซื้อทองคํา เข้าสู่รลางหลวงเพราะถึงจะออกว่าจะไม่เข้าสู่รลงหลวงแต่ก็กดความเป็นห่วงใยในรลงหลวงไม่ได้เพราะบุกค้องทองคำมากเราจึ ง, ต, งต้องหักเงินแปดร้อยล้านนี้จะซื้อทองคำเข้าสู่รลางหลวงอันนี้เราประกาศแล้วแม้เราตายไปแล้วก็จะต้องก้าเดินตามที่เราสั่งไว้เรียบร้อยแล้วส่วนห้าสิบล้านกว่านั้นเรา อาจจะแยกมาเป็นเงินหมุนเวียนดังทีปะการตั้งแต่ต้นก็ได้หากว่าจำเป็นถ้าไม่จำเป็นเราก็ไม่ออกที่ไม่มีอาจจะหมุนเข้าไปหาเงินแปดรอยล้านนั่นอีกก็ได้เพราะเราเป็นห่วงทาง <c oughs> ทางหลวงมากทีเดียวเราก็ได้ปฏิบัติเต็มกำลังความสามารถทั้งด้านวัตถุเราก็เข้มแข็งทุกด้านทุกขาบริสุทธิ์พุกความ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 เพราะเราไม่เชื่อไครง่ายโลกนีน่โล ก, โลกสกปรกมากที่สุดจนขนาดที่ว่าจะเข้าไปแตะไม่ได้ไนะแต่เพราะอำนาจแห่ความเมตตาสงสารโลกผมก็เลยทนเอากองมูดกองคูดเหล่านี้ก็ต้องได้ไปแตะไปต้องมันจนได้นั่นแหละเมื่อไปแตะไปต้องแล้วก็ต้องมีกลิ่นมีอะไรมาตำจมจมูกจนได้แล้วโลกสงสารมันสกปร ก, ก, กทำเป็นของสะอาด ถ้าที่ธรรมดาแล้วนี่ว่าเข้ากันมาได้เลยถึงเะนั้นผมยังถูไถเข้าไปช่วยโกรกสงสารที่สกรปรกที่สุดนี่ด้าดังที่นํามาปฏิบัติอยู่ทุกวันนี้แหละมันสกรปรกสุดยอด น, นะโลกเรามีสกรปรกขนาดนั้นอ่ามันไม่เรียกว่าไม่ควรเข้าไปแตะต้องเลยเหมือนกลองมูล่องปูนนั่นแหละถึงเะนนั้นก็ยัง ต้องเลยเกี่ยวข้องอูโดดีเพราะอำนาจธำนาจไม่ตาโลกเหมือนได้ทำเป็นเม็ดเป็นหน่วยตลอดมานี่ก็ผมก็ไม่เคยได้คิดนะว่าจะได้ช่วยโลกขนาดนี้ตลอดถึงการเทศนาว่ากาเทศนาว่าการาา ก, ารกฟังนีเทศเกือบทั่วประเทศไทยและเวลานี้มันดีกันประเทศหากว่าจะเทศตามตำรับตารานั้นพิกตำราไม่ทัน เพราะเทศวันหนึ่งสองกันสามกันเทศตลอดมาสองปีกว่าแล้วแต่นี้ขอพูดอย่างอาฐานพ์ชานิไทยที่ทํากับใจเป็นเดียวกันแล้วนี้จึงพูดให้เต็มยศก็คือว่าไม่อัดไม่อัน้นในการเทศนาว่าการแล้วแต่ผู้มาเกี่ยวข้องจะรับได้หนักเบามากน้อยเพียงไรทานี้จะออกเองออกเองออกเอ ง, ออเองรอบด้านรอบหัวใจไม่มีคําว่าจะติดกันอั้นตู้ในช่องใดมุมใดได้บัน ดาที่เขามาเกี่ยวข้องเรื่องราวอะไรมาเกี่ยวข้องที่ทำจะตอบไม่ได้รับไม่ได้รู้ไม่ได้แก้ไม่ได้ไม่มีเต็มหัวใจนี่ไปหมดเพราะใจตรงนี้เป็นธรรมทั้งแท่งออกมาแงไหนออกรับแงนั้นแงนั้นนี่เราพูดให้เต็มหัวใจเพราะฉะนั้นการเทศนาว่าการจึงแท้ได้มาตลอดเทศปี ก, ก็ได้ถ้ากำลังมังชาพอเพราะธรรมมีอัดมีอัน้นมีจนตอกเป็นมุมที่ไหน ไม่มีสมมตเิเขตแดนพอจะ บ, บ, บีบบังคับไว้ว่ามีเท่านั้นเท่านี้ธรรมชาตินี่เหนือโลกหมดแล้วในหัวใจดวงนี้เหนือสัตว์ทุกสิ่งทุกอย่างการเทศนาว่าการสอนโลกสมมติก็เพียงเท่ากําปั้นทำไมมันจะเทศไม่ได้ทําครอบโลกธาตุเอามาสอนโลกเพียงเท่ากําปั้นสอนไม่ได้มันหมดภูมิอย่างนั้นมีอย่างเหรือนี่ยพูดให้พี่น้องให้ท่านทั้งหลายฟังชักทน การเทศนาว่าการของผมผมเอาดวงใจดวงนี้ออกเลยทีเดียวหมายเบียร์ว่าบอกว่าไม่อัดไม่อั้นวางอันเลยเอาใครจะถามมาแง่ไหนออกรับทันทีทันทีทันทีาการเทศนาว่าการควรแตกภูมิใดที่จะได้รับมันจะออกรับกันทันทีทัทีจนทั่งสูงสุดมุด่งพันภ์ิ่านฟาเทวบุตรเทวดาก็เอามาถ้ามันจะเป็นประโยชน์ที่ควรจะสนทนาบอกว่าไม่อัดไม่อั้นวางัันเลย พ่อเปพวกผีผมันจะไม่รู้อย่างไรมันเต็มมีหัวใจไม่หมดแล้วชิงเหล่านี้บุรีเจ้าทรงรู้ทรงเห็นจึงนํามาสแสดงหัวใจซึ่งเป็นนักรู้ด้วยกันแล้วทําไมไมันจะรู้ไม่ได้เห็นไม่ได้ปิดบังกันได้อย่างไรนอกจากนามาพูดไม้พูดตามที่เห็นว่าเป็นประโยชน์มากน้อยเพียงไรเท่านั้นไม่ใช่วิสัยที่จะนํามาพูดคร้ามแตุ่สิ่งทุกอย่างทุกเวลันเวลาจึงไม่จําเป็นด้วยเหตุ น, นี้เรื่อง สิ่งเหนนี้ผมไม่เคยพูดน ะ, นะผมจริงๆเพราะมันไม่เป็นเครื่องหนักเครื่องหน่วงทวงหัวใจที่อยากจะให้พูดให้คุยอย่างนั้นทำใ้หัวใจนี้มีเหมือนไม่มรู้เหมือนไม่รู้เพราะไม่มีเครื่องกดดันไม่มีสิ่งขับดันที่จะให้อยากพูดอยากคุยอยากโม้อยากโวดมันไม่มีทาแท้เปอย่างนั้นพอดีตลอดเวลาควรจะออกหนักเบามมากน้อยเพียงไรแต่ผู้ที่จะรับประโยชน์ ก็ออกตามนั้นตามนั้นตามนั้นเพราะฉะนั้นการเทศนาว่าการจริงเอาแน่นอนไม่ได้ไเทศติงแกงหม้อใหญ่ก็มีเนี่ยแกงหม้อเล็กก็มีกมแกงหม้อจิ๋วก็มีมันอยู่ในหัวใจทั้งหมดแล้วจนตกแต่ง ม, มุที่ไหนสอนโลกผมยังเล้พูดเต็มเหนี่ยวว่าผมไม่อั้นนะการสอนโลกพูดจริงๆถ้าโลกจะรับได้ขนาดไหนทานี้พร้อมแล้วครอบโลกธาตุ ม, มาว่าอะไรโลกเท่ากับปั้นหรือวา อถ้าควรจะได้รับนี่จะออกทันทีทันทีทันทีทนทเลยหรือว่าเปิดโล่งตลอดว่างั้นเถอะแต่ว่ามีจุดใดเรือกที่ปิดที่บังไว้มันไม่มีมันโล่งหมดไปไปหมดในหัวใจตรงนี้เนี่ยฟังที่พี่น้องท่านทั้งหลายฟังออกเลยนี่ละการปฏิบัติทำเมื่ออันนี้ผมก็แน่ใจว่ามันจะขึ้นอยู่กับนิสัยวาสนาของแต่ละท่านแล้วที่รู้อย่างนี้ไม่เหมือนกัน อที่จะนํามาทําประโยชน์แก่โลกที่มีกว้างมีแคบต่างกันอ่นสําหรับเราเองเราพูดเราจะมีวาสนามากน้อยเพียงไรก็ตามเราเต็มในหัวใจเรามีที่จะนําออกสแสดงแก่โลกที่ควรจะรับประโยชน์ไ ม, ไม่อัดไม่อั้นเลยเปิดโลกหมดครอบแดนโลกธาตุนั่นฟังซินะนี่ละใจโยงนี้อ่ะเห็นไหมเวลากิเลสบีบหัวมัน นั่งภาวนาอยู่บนภูเขาน้ำตาร่วงร่วงสู้กิเลสไม่ได้ผมก็มาพูดในหมู่เพื่อนฟังซัดกันจนเต็มเหนี่ยวเต็มเหนี่ย ว, วจนพอได้หลังให้เกณฑก็ฟาดใหญ่จนกระทั่งถึงนั่งตลอดรุ่มก้นแตกก้นพองเลอะไปหมดก็ไม่ถอยกันถอยกันนี่เวลาโรคประโรคอย่างนั้นจริงๆเอาจริงๆพอได้ที่ได้ฐานก็ฟาดจ น, น, น, น, น, นถึงขั้นสติปัญญาธนมมะหมุนตัวเป็ี่ยนเปียวก็มาเล่าให้ฟังมันเป็นในหัวใจเจ้าของเองไม่ต้องไปถามใคร มันรู้จริงๆเห็นจริงๆพูดไม่ได้มีอย่างเรือแล้วกระทั่งถึงเก้าเชื่อมโยงเข้าถึงมหาสติปัญญามหาธิปัญญาเป็นขั้นสืน่อสารนะสติปัญญาจอมมาเป็นเป็นขั้นที่หยาบผล น, นั้นลงมาทํางานเหมือนว่าเป็นเป็นระยะเป็นอะไรพูดไม่ถูกแหละหากไม่ใช่สื่อสารนะอืมอันนี้เป็นรักเป็นตอนถ้าเป็นมีกดก็เรียกว่าฟันฟัน สับปันปกัปกปกัปกปกักเป็นบทเป็นบาททวนมหาวีมหาปัญญานี่ซึมไปเลยซึมซาบไปเลยทีเดียวมันรอบตลอดทั่วถึงรอดทั่วถึงไปเลยนี่เรื่องมหาวีปัญญาถ้าจะตั้งให้เป็นชื่อนะมันก็เป็นในหัวใจนี้หมดแล้วการมาสอนโลกผมผไม่มีอัดมีอ่านวางอันใดที่จะสอนในแบบใดภูมิใดเพราะมันเต็มีนหัวใจในี่ทั้งหมดสอนโลกก็สอนด้วยธรรมล้นวน ไม่มีอะไรกิเลสแม่แม้ถึงเป็นสายที่จะไปแทรกในกิริยาอาการสุ่มเสี่ยงในการสอนโลกไปเลยไม่ต่กิริยาของธรรมล้ว น, วนเด็ดก็เด็ดเป็นธรร ม, ด, กก ด, มดุก็ดุเป็นธรรมดีก็ดีเป็นธรรมเผ็ดร้อนขนาดไหนเป็นธรรมล้ว น, วนกิเลสไม่เข้ามาแทรกเลยจึงเรียกว่ากําลังของธรรมพลังของธรรมก็มีกําลังเช่นเดียวกับพลังของกิเลสกิเลสทํามันแล้วออกเต็มเหนียวของมันตามพลังของมันและโลกที่น่าสนะ แต่พลังของธรรมนี้อ้อวัาชาลายเป็นน้ำดับไฟน้ำดับไฟเพราะมีแต่ธรรมล้นล้วนนัน่นแหละพลังของธรรมต้องมีไม่มีแก้กิเลสไม่ตกพลังของกิเลสมันมีไม่มีธรรมโลกให้พินาศไม่ได้นี่พลังของธรรมก็มีไม่มีปาราบกิเลสไม่ได้น่ะเมื่อลากิเลสมันสิ้นจากหัวใจแล้วเราจะไปหามาตักที่ไหนว่ากิเลสดุด้วยกิเลสกิเลสตเนี้ยจะดูน่แไม่งั้นจะเรียกว่ามันสิ้นเหรอ กิเลสทิ้นแล้วหายัางไงมันก็ไม่เจอแต่ท่านจะไปหาอะไรท่านรู้อยู่แล้วนี่นั่นแหละที่นี้ก็มีแต่ทำทั้งแทงทำทั้งแทงพุ่งพุ่งเต็มแน่เต็มไว้อ้อเรื่องของกิเลสนั้นท่านไม่ได้นึกถึงมันแหละมีแต่พลังของธรรมออกกิริยาท่าทางซุ่มเสียงออกพลังของธรรมเป็นเหมือนกับพลังของกิเลส่จจออกแสดงตัวเพราะร่างกายซุ่มเสียงกิริยาเหล่านี้เป็นเครื่องมือ ของธรรมด้วยเป็นเครื่องมือของกิเลสด้วยอืมเวลากิเลสครองตัวแสดงออกก็เป็นพิ ษ, เ ป, พษเป็นภัยไปหมดเวลาทำเข้าครองแล้วทำเอาแสดงอะไรเป็นธรรมไปหมดแต่ธรรมท่านไม่ยึดนะกิเลสมันดื้อธรรมท่านท่านแสดงออกอย่างนั้นนะคุ้มเสียงที่ยาท่าทางเดี่ยวเฉียบขาดเป็นเหมือนกันหมดอมืเป็นแต่เพียงว่าไม่มีกิเลสเข้ามาแทรกเป็นพราหมณ์ของธรรมรวมๆนี่มันก็ปรา ก, กดลงหัวใจแเราจะให้บางอะไร สอนหมู่ซอนเพื่อนเราจะหามาจากไหนกิเลสถ้าถ้าวันนั้นหาเจออยู่กิเลสกับมันสิ้นได้ยังไงแล้วก็ไปรจักษ์อยู่นั้นตลอดเวลาอาการที่โผลด้วยว่าไม่มีอะไรสําหรับสมมุติที่จะเข้ามาสัมผัสสัมพันธ์ในหัวใจอย่างนี้ยให้ถึงใจไม่มีเพราะฉะนั้นพระอรหันต์ท่านที่สิน้นกิเลสแล้วท่านที่ไม่มีทุกข์ทางใจทุกข์ทางใจไม่มีเลยตั้งแต่ขนาดกิเลสเชื่งเป็นตัวเหตุ สร้างทุกข์ขึ้นมาในหัวใจขาดก็บ้านนงไปทุกข์ก็ไปพร้อมๆกันเลยทุกข์ก็มีแต่เรื่องของธาตุของขันนั่นเป็นสมมูลด้วยกันธาตุขันเหล่านี้เป็นสมมูิทุกข์ทุกขเวทนามันจึงไหมสุขเวทนาทุกขเวทนาอุเบกขาเวทนาไมยู่ในร่างกายอย่างนั้นในหัวใจท่านไม่มีอุเบกขาก็ไม่ใช่อุเบกขาแบบนี้พูดไม่ถูกในเวทนาตั้งสามไม่ได้เข้าถึงหัวใจของท่านผู้ชิ้นเกียรตแล้วเลยได้เลย มีอยู่ในธาตนี่ยขันเก็บไข้ได้ป่วยปวดหัวต่อร้อนก็รู้อยู่ว่ามันเป็นเป็นแต่อย่างไรจะให้มันเข้าซึมทราบถึงจุดนั้นเป็นไปไม่ได้เป็นคนรับฟังไปแล้วเป็นเป็นอัฐานนะเป็นไปไม่ได้เลยนี่ละกิจที่บริสุทธิ์เต็มเหนียวแล้วเป็นอย่างนั้นเราก็ได้มาสอนโรคเต็มกําลังความสามารถจะเป็นวาสนาอันหนึ่งก็ถูกหรือบุญกรรมของผมก็ถูกนะที่ผมได้มาช่วยโรกเพือใหานนี้ช่วยเต็มเม็ดเต็มหน่วยจริงๆ แ่ตจนเต็มความสามารถเ น, นี่ทุกอย่างการเป็นผู้นําพี่น้องทั้งหลายชาติไทยของเรานี้นำเต็สุขฉิตจุดแดนทุกอย่างไม่มีความท้อทอยอ่อนแอนําอย่างกล้าหาญฉาญชัยด้วยอดด้วยทำมีความเมตตาครอบตลอดเวลาด้วยก า, เยาร เ, าาเทศนาว่าการกวนกันไม่มีคําว่าสะทกสะทานหรือว่ากล้าวัคกลัวกับสิ่งใดได้สามเด่นลกทา น, นี่ ซึ่งเทียบแล้วเหมือนกับถังขยะจะไปกล้ากับมันอะไรภราษาถังขยะแล้วกลัวมันอะไรภราษาถังขยะโลกสมมูลนี่คือโลกถังขยะทั้งนั้นแหละธรรมประเภทที่ที่ที่เป็นในพระพุทธเจ้าหรือเป็นธรรมชาติไม่ใช่ถังขยะมันเข้ากันได้อย่างไงนั่นพิจารณาสิเหนจะไปกลัวกับจะไปกลัวกับอะไรไปกล้ากับอะไรเพราะว่าโลกุตระธรรมปแปล ว, ว่าธรรมเหนือโลกเหนือนตลอดเวลาโดยหลักธรมรมชาติทั้งตัวเอง การแนะนำต่างสอนนู้ด่าว่ากล่าวจะหนักจะเบาก็เป็นไปตามเหตุการณ์เท่านั้นพอเทศจบแล้วก็หาเงียบหายเงียบทาไม่ได้เป็นอารมณ์ในเรื่อง เ, อเป็นอารมณ์เหมือนสมมุติทั้งหลายนะแล้วท่านไม่ได้ถือใครว่าเป็นกรรมไปเลยต่อท่านไม่ได้ไม่ได้ถืออะไรย่างที่ผมแสดงอยู่เวลานี้ทาสอนเพื่อประเทศไทยช่วยประเทศไทย ขี้ยาท่าทางออกทุกด้านทุกทางที่เกิดที่ควรจะออกจะออกแต่ไม่มีที่เหลวตัวใดจะมาแฝงและไม่เคยถือว่าใครว่าเป็นข้าศึกศัตรูต่อเราเราไม่เคยมีในู่หัวใจผิดบอกว่าผิดถูกบอกว่าถูกไปธรรมดาตามเรื่องของธรรมต้องเป็นอย่างนั้นจะรูปหน้าปากจมูกสูงสูงต่ํต่างนั้นไม่ใช่ธรรมเรานํามาสอนโลกไม่ได้เราต้องาทำมาสอนโลกสอนโลกผิดต้องบอกว่าผิดถูกต้องบอกว่าถูกแต่แม็ดติหน่วยจึงเรียกว่าธรรม นี่ยการนําพี่น้องชาวไทยเราตลอดท่านเดินทั้งหลายในที่ต่างๆผมก็สอนแบบนี้ทําแบบนี้พีทบอกว่าผิดถูกบอกว่าถูกไม่เคยที่ว่าจะไปกลัวคนนั้นไปกล้าคนนั้นจุดนั้นสูงจุดนี้ต่ําไม่มีในทําทั้งหลายลาบไปหมดเลยเพราะหนึ่งก็หมดแล้วนั่นเราก็ได้ทำเต็มกาลังความสามารถของเราในการช่วยโลกคราวนี้ผมเรียกว่าหมดกําลังความสามารถของผมจะเป็นบ้านนิสัยวัสนาของเจ้าของก็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 คำบอกเล่าจากผมแล้วก็มาเขียนไปเขียนไปเท่านั้นเพราะผมเป็นอย่างนั้นนิสัยวันนี้เป็นนิสัยอา ภ, าพภาาัพวาสนาตั้งแต่วันออกปฏิบตัติไม่ให้ใครมายุ่งด้วยเลยไปที่ไหนองค์เดียวองเดียวตลอดเวลาเนี่ยแล้วเหตุใดมันจึงได้มาช่วยโลกสอนโลกถึงขนาดนี้มันก็น่าคิดอยู่นะหากว่าเราตั้งความเราดีไว้แต่ต้นก็ค่ทั่วเราไม่มีอแต่ความเมตตานี้เป็นพื้นฐานมาตลอดอันนี้ยอมรับอย่าง นี่แหละอำนาจของความเมตตานี่แหละที่ให้ช่วยโลกเวลานี้นะช่วยเต็มเม SL ็ดเต็มหน่วยเต็มกําลังความสามารถนี้เวลานี้กระทาขันก็อ่อนลงอ่อนลงทุ ก, ทกสิ่งทุกอย่างผมก็สอนไวเเเ้เต็มเม็ดเต็มหน่วยวิธีการพาพี่น้องชาวไทยเรานํานี้ก็บริสุทธิ์พุทธของทุกอย่างไม่มีที่ต้องตีในะหัวโจตัเองหัวใจตัวเองว่ามีเจตนาลามกต่อพี่น้องชาวไทยอะไรบ้างไม่มี เดี๋ยวปัทุ่มลงหมดลงหมดบริสุทธิ์เต็มสัดเต็มถ้วนและการแนะนําสั่งสอนก็เหมือนกันสอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยทั้งเด็ดทั้งเดียวทั้งดุทั้งหนาทั้งว่าทุกแบบทุกฉบับที่ควรจะอัดแก่ทำที่จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ได้ยินได้ฟังนั้นผมเทศเอาหมดไม่มีอะไรเหลือจึงเรียกว่าเทศเต็มขุมการเทศนาว่าการก็คิดดูที่อายุถึงปีนี้ก็แปดพิเศษแล้วเทศมาสักหลายสองปีกว่านี้เรียกว่าเทศมากที่สุด เทศหมดอไม่ว่าสมาคมใดผมเทศให้ฟังทุกเต็มเม็ดเต็มหน่วยทุกแห่งทุกหุ้นไปเลยนี่เวลานี้ก็กําลังอ่อนลงไปแล้วอ่อนลงไปแล้วการเทศนาว่าการควรจะเป็นคติตัวอย่างแก่โลกที่จะไปปฏิบัติตามทั้งฝ่ายละและทั้งฝ่ายบําเพ็ญก็ควรจะได้เป็นหลักเป็นเกณฑ์พอสมควรแล้วนี่ต่อไปผมก็จะปล่อยของผมไปเรื่อยๆตามภาดข่านของผมนี่แหละนี่ก็ได้เคยพูดแล้วว่า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 เรารู้เราทุกสิ่งทุกอย่างในตัวของเราเองนี่เราก็ได้ช่วยเต็มกำลังความสามารถในเฉพาะเมืองไทยเหล่านี้เทิดไปหมดไปหมดเราทางภาคใต้ก็นิมนต์เราก็เห็นใจจะทำยังไงอ่า น, นั้นมันเป็นไกลหน่อยแล้วก็เป็นเวลาที่เท่าแก่ชรามาแล้วนิมนต์มาก็ขอผ่อในใจจากพี่น้องชาวภาคใต้ของเรา พอเรากําลังมันหมดแล้วเดือนนี้แม่เต็มเต็อยู่ในภาคใกล้ๆที่ไปมหาสู่ได้อย่างสะดวกสบายมันยังรับไม่ได้หมดคิดดูจริงนะเแล้วก็ปล่อยไปปล่อยไปยังไม่ค่อยพัวถึงกําลังมังชาไม่กอำนวยทางภาคใต้ก็แทบทุกจังหวัดเลยแหละนี่มนเราแต่มันก็ไปไม่ได้จะทํำยังไงเคนคนเดียวทําหน้าที่ทั่วแผ่นดิน มันก็หมดกําลังหมดแเลี้ยวเวลานี้ยิ่งหมดกําลังแล้วจะไปที่ไหนก็ไม่ได้แล้วเนี่ยก็มีแต่จะปล่อยวางเท่านั้นเองนะเรื่องราวมันก็เป็นอย่างนี้ธาตุัาร์นเราทํางานคนเดียวคนอื่นไปทําแทนไม่ได้สิถ้าทําแทนได้ก็ยังชั่วเลยอันนี้มันก็คือคงจขึ้นอยู่กับนิสัยวาสนา <c oughs> ถ้าเขาไม่ยอมรับสัอย่างเดียวเท่า น, นั้นมีกี่หมื่นกี่แสนคะก็ตามตัวมันก็ไม่จะเกิดประโยชน์อะไรนั่นแหะ มันสําคัญอยู่ที่ว่ายอมรับกันหรือไม่ยอมรับเนี่ย น, นี้กับมันก็หากจะเป็นนิสัยวาสนาเกี่ยวโยงกันออนี่ประชาชนไปที่ไหนก็อนุโมทนาสาธุการรุมรุมเทศที่ไหนไม่มีคมาําว่าคนจํานวนน้อยนะั้นแน่นอัดแน่นอัดแน่ น, น, นทุกแห่งทุกหดไม่ว่ากรุงเทพต่างจังหวัดไปเทศที่ไหนคนไม่เคยบุกบังเลยแน่นแน่นแน่นด้วยกันทั้งนั้นแหละ นี่ก็แสดงว่ายอมรับมันดอแต่เขาไม่ยอมรับเขาก็ไม่ไปฟังยกตัวอย่างเช่เ น, นะกระทรวงสาธารสุขนี่ประหลากระทรวงพูดเองนี่พอคนไปฟังแทบที่กระทรวงสาธาสุขนั่นมันมากจริงๆก็มากเหมือนทุกแหงนั่นแหละแต่กระทรวงสาธาสุขเขาไม่เคยเห็นเขาไปว่าโอ๊ยนี่มีพิลึกพิลัน่นคนผิดคาดผิดหมายไม่ไดคิดว่าคนจะมามากขนาดนี้ เพราะที่กระทรวงนี้ก็เคยนมีมลผ้าเถราผู้ใหญ่ผู้ใหญ่มาเทศประกาศลั่นก่อนที่จะเทศนี้ทัานเวลามาแล้วก็ยอม่ยมยอมแยมอย่างนั้นนะแต่นี่หลวงตา ม, มานี้ไม่เคยคาด ค, คิดว่าจะมีคนมากขนาดนี้แน่นไปหมดอยางนั้นก็อย่างนั้นแล้วทั้งๆที่เราประเทศที่ไหนก็แน่นไปหมดเหมือนกันแต่ท่านเหล่านี้ไม่เคยเห็นสถานที่ต่างๆซึ่งเราไปเทศอาจแน่นด้วยผู้คนต่างทุกแห่งไม่ว่าภาคไหนเหมือ น, นกันหมดอืม นี่แหะเขาพูดถึงว่าเขายอมรับนั่นเองถ้าเขาไม่ยอมรับหัวเร่งจ้างไปเขาก็ไม่ไปนะแต่นี่ไม่ได้จ้างไปเท่าที่ไหนติดตามฟังแม้ในกรุงเทพนี่สําคัญมากนะประเทศที่จังหวัดจังหวัดไหนเนี่ยติดตามไปฟังตลอดตลอดไม่ใช้ไปน้อยๆนะนเท่าที่ไอ้มากต่อมากนะนี่ก็คือความยับมันความยอมรับมันคงเป็นนิสัยวาสนาเกี่ยวโยงกัน เราก็จะพยายามเต็มกําลังความสามารถของเรา <c oughs> จนหมดกําลังมังค่าแล้วที่นี่มีตั้งแต่กระห ด, ด้วยนเขา้าขมาย่นเข้ามาอะไรก็สอนหมดแล้วการพาดําเนินเช่นการบริจากทางโครงการก็มีอยู่ท้ายที่ยาช่วยมากน้อยเพียงไรก็โอนเข้าในโครงการโครงการตามธนาคารต่างๆก็บอกประกาศไปเรียบร้อยแล้วดังที่เห็นหลังฉลาเหล่านี้แหละเนี่ยใครจะหนุนเข้ามานั้นก็ได้เนี่ย แล้วการเทศนาว่าการใช้ผมไปประเทศทุกแห่งโ น, อ, นอย่างที่เกิดเป็นมานี้เรียกว่าผมไปไม่ได้แล้วเวลานี้ม่ตั้งแต่อ่อนลงอ่อนลงแล้วก็ปล่อยไปตามเรื่องของมันตรงนั้นเองนี่เเราก็ทําเรื่องโครงการนี้ก็ใครๆก็บริจาคมาได้การเทศนาว่าการเราไปไม่ได้เขาบริจาคมาก็ยังได้อยู่เป็นยังไงนี่แวการสํานวนเทศของผมมี่มนทั่วประเทศไทยมีทุกภาคเต็มไปหมดมทางเทศเป็นสำคัญ วิทยุก็ออกทางเทพก็ออกฟังได้ทั่วไปหนังสือก็ออกก็เรียกว่ามากที่สุดบรรดาพระไรสุกุมสยามเหล่านี้ว่างั้นเลยเราอยางทีพูดว่าหลวงตาบัวนี่รู้สึกจะเป็นที่ห น, นึ่งการเทศนาว่าการก็ดีพวกเทพก็ดีออกทางวิทยุก็ดีเพื่อเป็นประโยชน์แก่โลกมีเรียกว่าเราทําเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้ว ถ้าจะยึดถือเป็นกติเครื่องเตือนใจเป็นประโยชน์แก่ตนเองก็ควรจะได้รับคือควรจะได้อยู่แล้วนั่นนะเนี่ยก้างเทศนาวาการมันก็หมดกําลังกำลังตอนนี้ไปจะเป็นไปอย่างนั้นไม่ได้แล้วอ่อนลงอ่อนลงนี่เราเทศเต็มกําลังความสามารถด้วยความเมตตานะนะัเนอ่มที่นี้บรรดาพระเราที่มาอยู่สถานที่นี่ให้บากันตั้งออตั้งใจยกเวทปฏิบัตินะเรื่องมรรคผลนิพพานยาไปให้จิตเรศมาลูกจมูกนะ พระพุทธเจ้าแสดงไว้แล้วว่าอกาลิโกอาการิโกทำไม่มีการสถานที่เรียกมาลาขึ้นอยู่กับการปฏิบัติเนี่ยอยู่ตรงนี้นะซัวขาจะทำตรัสไว้ชอบแล้วชอบแล้วอะไรว่ามียังไงเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นไม่งั้นจะเรียกว่าตรัสชอบได้ยังไงบาปมีบุญมีนรกสวรรค์ภพมโรคนี้ผ่านมีเปรผิวเพศต่างๆทั่วแดนโลกธาตุมีเห็นแล้วรู้แล้วจึงมาสั่งสอนโลกแล้วใครจะไปลบล้างว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มี นอกจากคนตาบอดที่เรียกว่าประทับปะมมืดเป็นเศษมนุษย์ห้างแผ่นดินของมนุษย์อยู่ท่านั่นเองจึงจะไม่เชื่อว่าสิ่งอนีเม่ยผู้ที่รู้ที่เห็นรขาก็เป็นองค์นิเศษด้วยาศาสตราเอกซะด้วยนะ แล้วนำมาสแสดงตามที่รู้ตีเห็นผู้ปฏิบัติตามรู้ตามเห็นตามยังมีแม้ไม่เต็มไม่เต็มตนหน่วยเหมือนศาสตาอุเยก็ตามแต่ก็เป็นสักยุวิยาณกันได้โดยไม่ต้องสงสัยมีเชื่อธรรมเป็นอาการวิโค ข, ขอให้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติกิเลส ก, ก็เป็นอาการวิโคเหมือนกันทําให้เกิดกิเลสเมื่อไรเป็นได้ทุกเวลามันมีการสถานที่เวลาเวลาที่ไหนกิเลสนะ่ะทําทําไมถึงว่าเวลานี้สิ้นเฉดสิ่นสมัยศาสนาส่วน เดี่ยวแหลมไปแล้วอย่างนั้นกิเลสมันหลอกตั้งหากลูนะแต่ธนาเรือเดียวแหลมที่ไหนคอยปฏิบัติอยู่ทำคงเส้นคงวาหนาแน่นตลอดเวลาพร้อมที่จะให้ผลแก่ผู้ปฏิบัติเช่นเดียวกับกิเลสมันก็พร้อมที่จะให้ผลแก่ผู้หลงตามมันอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกันนั้นนะให้พากันตั้งอกตั้งใจตั้งหน้าต่างตาปฏิบัติทำนี้สดสดร้อนๆตลอดเวลานะขอให้ตั้งใจปฏิบัติอันเรื่องโลกสกปรกสมมมนี้อย่าไปสนใจกับมัน ให้เสียคณาจิตได้รับความลำบากรำบนถ้าคิดเรื่องกิเลสจะแท่งหัวใจทันทียันทีคิดเรื่องอัดเรื่องทามีความสงบต้องเย็นใจในใจของเราทุกคนนั้นนห่ยให้คิดเรื่องอัดเรื่องทาตั้งแต่คำบริกรรมเอาสงบเอาคาบริกรรมติดกับจิตลงไปนี่เรียกว่ารอเลี้ยงจิตใจด้วยธรรมคาบุรีกรรมต่อไปเมื่อ เราบังคับไว้เสมอแม้มันส่งออกไปข้างนอกจิตของเราจะมีความอบอุ่นแน่นหนามั่นคงขึ้นเป็นระบาดจนกลายเป็นสมาธิขึ้นมาได้ด้วยคําบริกรรมใครอย่าไปนึกถอยเฉยนะว่าจะกําหนดความรู้เฉยอย่าเราทํามาแล้วนะผมทํามาแล้วนะจงกระทั่งเราเอาคําบริกรรมคือพุทโธติดแนบปัจจเอาแต่จะนิสัยผมมันจริงจังนะจริงจังมากทีเดียวตั้งแต่บัดนี้ต่อไปเราจะเอาคําบริกรรมนี้ ติดแนบกับหัวใจไม่ยอมให้เผลอเลยพราะกำหนดแต่ขีดเฉยนิ่มจิตมันเสื่อมแล้วก็เจริญเจริญแล้วเสื่อมทํายังไงก็ห้ามไม่อยู่มันจะเป็นพ่อเหตุนี้ลมั้งพราะเหตุที่เราไม่มีคําบริกรรมนี้ลงังจึงถับคําบริกรรมแล้ว จ, จ, จับจับจริงด้วยนะตั้งแต่นี้ต่อไปเราจะเอาคําบริกรรม <c oughs> เป็นเครื่องกํากับจิตตลอดไปมันจะไม่ยอมให้เผลอนั่นนะฟังที่ น, น่ะตื่นนอนปั๊บับพุโทโธตลอดเวลาอียาเคลืลอ่ลอนเคลืลอ่ลอนไหวไปไหนไปไหนในเวลาที่ตั้งจิต จิยังหาร่าถามไม่ได้เอาขนาดนั้นเถท่ะานะตั้งใจลงกับคำปฏิกรรมไปไหนคึกไม่ให้เคลื่อนข้าไปเลยเทีเดียวตื่นนอนป้าพุทธโทธติกเลยโจนก็ทั้งได้เห็นชัดเจนว่าจิตของเรานี่เวลามันละเอียดจริงๆนี่คําบำกรรมไม่ปรากฏนะนั่นมันเกิดขึ้นแล้วในตัวของเราเวลามันมยุงง่งเหยิงวุ่นวายเอาคําบริกรรมติดแนบไปเล ย, เลยไม่ยอมให้มันคิดไม่เสียดายความคิดอะไรทั้งนั้น ให้มีแต่ให้มีแต่ความคิดคือว่าพุโทโธพุโทโธซึ่งเป็นความคิดทางด้านธรรมะอยู่กับใจมีสติติดแนบธรรมีแล้วใจยังไงต้องตั้งได้คนเราตั้งได้ผมเนี่ยตั้งมาแล้วนี่ยเ <c oughs> มื่อเวลาตอน <c oughs> ผมก็เลยเขียงแล้วในหนังสือก็มีเทปนะก็มีมนะ <c oughs> แล้วปล่อยหมดจริงๆเราอเรื่องเสียดายในยเรื่องความเสื่อมความเจริญเราก็เคยเป็นมาแล้วไม่เห็นมันเกิดเป็นผลประโยชน์อะไรคราวนี้เราจะไม่เสียดายเอาเจริญก็เจริญไปเสื่อมก็เสื่อมไปแต่กับพุโทโธเราจะไม่ปล่อย เอาตรงนี้ตอนนั้นแหละทีนี่หายหายกังวลทั้งหมดเอาเสื่อมก็เสื่อมไปเอเราเคยเสียดายมันพอแล้วสร้างกองทุกข์ให้เรามากมายก่ายกองไม่เสียดายมันทั้งความเสื่มความเจริญไม่ให้เป็นรลงก็มันแต่กับพุโทโธนี่จะไม่ยอมปล่อยทับพุโทโธตลอดเลยจริงๆ <c oughs> เอามันจะไปไหนเป็นยังไงก็ตามพุโทโธพุโทโธติดแนบเลย <c oughs> นี่แหละจึงได้เห็นคําว่าพุโทโธนี่เข้ากลืนกับใจแล้วนี่ล่ะ คําบริกรรมพุทโธพุทโธ ท, ที่เราเคยบริกรรมมานี้ไม่มีนะพอถึงขั้นที่ะละเอียดเราเต็มเหนีน่ยวแล้วกําหนดพุทโธไม่ปรากเลยเหลือแต่ความรู้ที่เด่นจนกระทั่งงงเอ๊ะทาไมนี่แต่เราก็ก่อนเราบริกรรมได้นี่บริกรรมได้ทําไมเทียงทางนี้มันบริกรรมไม่ได้แล้วเหลือแต่ความรู้ที่เด่นๆอ้าบริกรรมไม่ได้มันมันรู้จุดมันมันช่องใสโซนเท่นนะ เราหวังจะตายอยู่กับคำบริกรรมที่นี่คำบริกรรมก็หายแล้วทําไมอ้าวอันที่ไม่หายคือความรู้มันเดน่นเอาทั้งหาว่าเอาบริกรรมหายก็หายไปแต่อสติเปลี่ยนจากคำบริกรรมนั่นน่ะมากลับอยู่กับความรู้นี่เอาสติขับกับความรู้ที่ละเอียดละอ่แต่บริกรรมไม่ได้นั่นให้อยู่นั่นมันก็ไม่นานของมัน นะพอได้จังหวะแล้วจิตมันก็ค่อยคลี่คลายออกมาเอาคาบริกรรมอัดปับเข้าไปได้เลยที่นี่บริกรรมได้นั่นเวลามันเข้าละเอียดจริงบริกรรมไม่ได้นะผมไปมแล้วนะจนกะต้องของงงไม่งงวางนั่นเลยเอาให้อยู่กับความรูน้นี้เอาสติทับตรงนี้แทนกับคําบริกรรมนั่นไม่งานมันก็ค่อยคลี่คายออกมาเนี่ยพอคลี่คลายมาคําบริกรรมติดติดติดจนกระทั่ง ถึงขั้นที่มันจเจริญขึ้นไปแล้วมันจะเสื่อมมันรู้ขนาดนั้นนะพอเจริญขึ้นไปถึงขั้นนี้แล้วมันเสือ่อมเอาสื่ก็เสื่อมไม่เสียดายมันคําบริกรรมไม่ปล่อยไม่ปล่อยเสร็จเอาไปเรื่อยๆันสุดท้ายเวลาถึงขั้นนั้นแล้วคนก็เสืมไม่เสื่อมนะคือเสื่อมแล้วก็ไม่เสียดายเพราะจิตนี้มันเด็ดมากนะเหมือนหินนะถ้าว่ายังไงแล้วือว่าไม่เสียดายไม่เสียดายจริงๆเอาเสื่มไปแต่กับพุทโธจะไม่ยอมปล่อยพอถึงกันนี้แล้ว คนควรจะเสื่อมมันอยู่ได้สองวันสามวันแล้วมันก็เสื่อมต่อหน้าต่อตาเราอันนี้พอถึงขั้นนี้แล้วควรจะเสื่อมเอาส่งกระเสื่อมไปปล่อยแต่ผู้โทไม่ปล่อยแล้วสุดท้ายมันก็ไม่เสื่อมไม่เสื่อมคพราะหนาเ น, นี้ยมันคงหนาเนี่ยมันคงไปจนกระทั่งจิตใจเป็นหลักขึ้นมาเป็นธรรมทิฏขึ้นมาแน่วแน่ขึ้นมาจึงได้รู้ติดตัววอ๋อที่เราจิตมันจเจริญแล้วเสือเเส่อมเจริญเสื่อมพราขาดกรรมบริกรรมนี่แหละว่ะ สติอาถรรพ์ไปตรงนี้ก็ได้มีเวลาสติกับิติดกันกับคำบริกรรมนี่เปิดเวลาแล้วมันไม่เห็นเสื่อมมานานนั่นแหละที่แนวมาพูดในหมู่ผู้อ่านฟังเราทํามาแล้วทุกอย่างนะจนกระทั่งจิตตั้งราาตั้งฐานจิตเป็นสมาธิเด่นแน่วออนั้นเอาที่นี่เป็บริกรรมก็ได้คือความจุดของคูารู้นี้เด่นสติดับอยู่กับจุดที่ความรู้ที่เด่นเด่นนั้นแทนกรรมบริกรรมงัดตั้งได้ทุกคนถ้าหากว่าจะทำอย่างนี้นะเราเลาะแหละเผลอ ภัยไผ่นั่นที่ใช่ไม่ได้นะให้เอากิงเอาจังทุกอย่างนี่ได้ทามาแล้วนะมาสอนหนูเพื่อนสอนแบบกินแน่ใจทุกอย่างพากันตั้งใจปฏิบัติถ้าเราบวชมาไม่มีสมาธิสมบัติศี ล, ส ม, ส, ลสมบัตินี่ใครมีเตรีมตัวอยู่แล้วรู้จักทุกคนเรารักษาศีลของเราด้วยความเป็นผู้มีศีลโอตปะปะแล้วศีลเราก็เต็มตัวของเราแล้วสมาธิคือความสงบใจเอาให้ได้ ทำภาวนาเช่นคำบริกรรมนี้สําคัญมากนะอย่าลืมนะไปอย่าให้ติดจนกระทั่งเมื่อเวลาคำบริกรรมน่านเขาน่านเข้ า, ข า, ขานี่มันเป็นหล่อเลี้ยงจิตจิตก็ได้ตัวไปจุดผู้รูเ้เด่นขึ้นมาเด่นขึ้นมานต่อจากนั้นก็มีฐานขึ้นมาเป็นสมาธิและวทีนี้นนพอเป็นสมาธิแล้วความรู้นี่จะเด่นสติคําว่าบริกรรมมีกรรมมันค่อยหมดความหมายไปเองนะ มันไปเด่นอยู่กับจุดผู้รู้มันก็จับผู้รู้นั้นด้วยการตั้งสติอยู่กับนั้นตลอดไปเลยนั่นนี่แหละวิธีการนาเพ็ินให้ทําอย่างนั้นนี่ได้ทามาแล้ว<ด>นะที่สอนเหล่านี้น ท, าทามาแล้วทั้งนั้นทั้งนั้นจงกระตั้งกระก้าวเ ข, ข้าสู่ปัญญาเป็นสมาธิเต็มเนี่ยวก็เป็นแล้วเหมือนน้าเต็มแก้วที่ว่านี่ออกข้างน่างปัญญาก็เห็นว่าจากมาจากมาจากฟาจงกระตั้งกิเล็ดขาดจะบั้นวังจากหัวใจ หายสงสัยไม่มีอะไรเหลือแล้วในสามเด่นโลกฐานจิตครอบโลกฐาสว่างเจ้าหมดเลยโธจิตทำไมถึงเป็นอย่างขนาดนี้นะตื่นเต้นตัวเองนะมันเป็นในขันของมันเองนะขันเนี้ตื่นเต้นตัวเองน้ำตาลากพากากเลยเถอะด้วยความอัศจรรย์ธรรมของพระพุทธเจ้าอัศจรรย์ของพระพุทธเจ้าว่าตัดรูขึ้นมาได้ยังไงไม่มีใครบอกใครสอนเรา ท, ท่้นสอนแทบเป็นแทบตายถึงไม่มารู้อย่างนี้แล้วก็อัศจรรย์ในธรรม น้ำตานิ่โอ้ยไม่ต้องบอกนะออกเองออกเองออกเองผ้าผ้าดูโลกประท่านี่แหมอ่อนใจนะเวลาจิดนีด่ถึงขั้นถึงขั้นที่มาเอาพูดให้มันเต็มเลคือขั้นหลุดพ้นไปโดยประการทั้งปวงแล้วจึงมามองดูวัตจักที่เราเคยเคยเป็นเคยเกิดเคยตายทั้งสามโลกเคยเกิดเคยตายมันมองดูแล้วมันดูไม่ได้เลยนะโอ้ทั้งทั้งที่เราเคยเกิดเคยตายมากบบนี่มันก็นเกิดตายมาได้มันไม่เห็น ตื่นเต้นไม่เห็นตกใจไม่เห็นกลัวไม่เห็นเฉทหลาบเลยแต่พอเวลามันพ้นขึ้นมาแล้วมันถึงดูไม่ได้นําพังที่นะ่ะเป็นยังไงทําประเภทนั้นกับถังขยะกับนรกอเวจีของมนุษย์ของสัตว์ทั้งเป็นเนี่ยมันทำไมถึงว่าดีว่าดีอยู่อะไรก็ดีอะไรก็ดี้รดเรื่องกิเลสหลอกลวงแล้วดีทั้งนั้นนะเพราะฉะนั้นโลกถึงได้จมอยู่ในนรกทั้งเป็นนี่มีนรกเมืองผีก็มีเป็นไปได้ทั้งนั้ น, นโลกที่ถูกกิเลสกล่อมแล้วมันไม่รู้จัก ไม่รู้จักครัวนะไม่รู้จักเป็นตัตายบืน ต, ตามที่เหล็กต้มนรกก้อนลงมันไปลงไปแล้วสายัปแล้วเอาพอพ้นจาก น, านรกขึ้นมาตักตรงนรกกี่กลับอี่กันก็ตามนะพอพ้นจากโลกขึ้นมาแล้วกิ่เหล็กปิดอีกพราะหนึ่งว่าไม่เคยตกนรกแล้วนี่หน้ำทำยว่าเกิดชาติเดียวว่าเกิดชาติเดียวจะทําไมก็ทําเอาทีเหล็กหลอกอีกทําอีกนั่นเป็นอย่างนั้นนะทีนี้พอมันติดถึงขึ้นมายแล้วมันมองดูแล้วโเธ่สังเว้ พอใจในการที่จะต่างสอนกันโลกสอนไปได้ย <popping in. S 2> ังไงขนาดนี้แล้วขนาดนี้แล้วนั่นพยายามสิมันเห็นทั้งหมดงจริงมันจ้าในหัวใจนี่แต่มันไม่ใช่วิสัยที่จะนำมาพูดมาพูดได้ยังไงเออมีแต่พูดได้แต่เพียงแล้วมันจ้าครอบโลกธาตุวาอย่างนมันเห็นหมดพราะกิจนี้ไม่มีขอบเขตแล้วกิเเลยสมมุรณแล้วมันเห็นไปได้หมดน่ะอถ้ามันอยู่ในขอบขอบของสมบูรณกิเลสยังครอบหัวมันอยู่มันก็เป็นขอบ เครื่องบังคับบังชาจิตใจให้รู้ทุกสิ่งทุกอยาก่างไม่ตลอดตัวถึงไม่เป็นอิสระได้ ท, ที่นิครองทีเลสขาดก็บ้านตักใจแล้วมันเป็นอิสระเต็มตัววิงว้งวางไปหมดเลยคำว่ามาิ้งว้า ง, ง, งนี่มันก็เป็นหยับหยาบอยู่นะเอาข้ามาพูดอย่างนั้นก็ไม่ทราบอะไรมาพูดในแดนสมมูลก็ต้องมาพูดให้ฟังนี่แหละการปฏิบัติตัวเองทำ ม, มากมีอยู่ในหัวใจนี่แหละทีเลสปิดไว้ไม่เห็นเหมือนน้ํนาเต็มสระนั่นแหละ แต่ถ <accurately S 2> ูกจองแหนะปกคุมไม่หมดมองเห็นแต่เจาะแต่แหนะแต่แหนะน้าในบึงในบ่อไม่เห็นเลยจะว่าไงทั้งๆที他們他們่มันเต็มไปในสาในบึงนี่กับกิเลสเต็มหดวทำทำเต็มหัวใจแต่กิเลสปิดไม่หมดไม่ให้เห็นทำมันก็เลยว่าทำไม่มีมรรคผลนิพพานไม่มีเล้วไปอีกแล้วไปใหญ่ดูนะแต่พรอาจารย์ตอนตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติตัวเองนะผมก็สงสารคือทํายังไงยิ่งเข้ายิ่งแก่แล้วเนี่ยนะ เนี่ยอายุ ก, ก็แปดสิเจ็ดจะเติมแล้วในลานนี้อุตส่าห์พยายามตระเกียรติกายทั้งช่วยลูกอสงสารทั้งช่วยพาช่วยเนรไม่ทราบสมุนตัวประจันไหนบ้างอันนี้มันมันถึงกาลเวลาแล้วยังไงมันก็เป็นไปไม่ได้นะเวลานี้ธาตุขันอ่อนลงออกเลงแทนที่จะมามีตุกวิจารณ์กับธาตุขันเรื่องความเป็นคามตายตัวเองไม่มีแม่ไม่ถึงไม่ทายนะคือมันพอจะตุก อ, อย่างไม่ทราบจะเอาไดมาหี้ว มันพอทุกอย่างแล้วขันนี่ก็ร่วมเป็นเครื่องมือเต็มยศก็เหมือนแล้วใช่ไปใช้ไปพอใช้ไม่ได้เลอดิบที่เดอยวผงเลยธรรมชาตินี่ที่รู้ที่เป็นแล้วนะั้นมันนอกสมมูลนี้ไปแล้วอยู่ในขันมันก็นอกนอกสมมุติไปหมดแล้วเยวจะมาตื่นหาอะไรอีกล่ะท่งนนี่เราจึงสอนมุ่ข้วนใครๆคก็ตามสอนได้อย่างอาหารทางใจเต็มหัวใจ ที่มีคำเป็นดวงในหัวใจมีแล้วจงถึงไม่มีคำว่าอัดอั้นตัดใจในการแนะนำสัง่งสอนถ้าควรคือใครก็จะไควรได้รับประโยชน์นังจะออกมากกว่านี้อีกทำเถียงเท่านี้ก่อนเนะี่เขาก็าว่าพอแล้วนะถ้าเหนือนี่กระกอกอีกเพราะทำหเหนือนี่ตลอดไปเลยเพราะเรียกว่าโลกุตละธรรมเหนือนตลอดเวลา <c oughs> ไม่มีเข็ดมีแดงครอบโลกธาตไปหมดเล ย, ยละการแสดงธรรม ก็เห so ็นว่าสมควรเปิยเวลาขออยู่กี่เพียงตอนนี้เด็กไปเดินมาเหนื่อฟังเป็นชั่วโมงกว่าท่านเทศเป็นชั่วโมงกว่าอายุของท่านก็แปร แปดสิบกว่าปีฟังสรุปใจความเลยคือแนวทางสร้างประโยชน์นะทางปัจจุบันลยเบื้องหน้าจนถึงที่สุดคือมรรคผลนิพพานเราฟังคำว่าเอาจริงเอาจังนี่ไม่ส้องใสยเลยแล้วน้อมเข้ามาสู่สร้างประโยชน์ปัจจุบันที่เนี่ย มนุษย์คนเราเนะี่ยประโยชน์สุขในชีวิตความเป็นอยู่ตลอดถึงประเทศชาติบ้านเมืองเอาจริงเอาจังในเหตุผลที่มีความถูกต้องตามหลักกฎหมายความผิดความถูกแล้วพวกเรามีความรู้สึกไงตรงนี้กับตัวเองหรือบุคคลอื่นก็ดี โดยเฉพาะหลักศีลธรรมแนวทางปฏิบัติหน้าที่ของพวกเราชาวพุทธเพียงแค่ศีลห้าเท่านั้นเองมีความตั้งใจเอาตรงนี้มากน้อยขนาดไหนเพื่อเป็นการตัดกระแส ข, ของกิเลสตัณหาในสิ่งที่มันผิดนะลองเอาศีลห้าไปเป็นเครื่องวัดข้ำกลางของสังคมชาวพุทธดูเจ้า มันไกลกันไหมกับองค์ลูกตาที่ท่านฟังท่านตรัาในสินธรรมท่านฟังหลวงปู่มันมีความเชื่อมัน่นเออนี่คือของจริงมเมื่อเชื่อมั่นลักษณะนั้นนะฟังปฏิปทาที่ท่านทำท่านปฏิบัตินเนี่ยเ<ใ>นี่ยฟังเพื่อให้เป็นคเติความหมายอะ่ะแลต่ดังนั้นสิ่งที่ เป็นประโยชน์ปัจจุบันเนี่ยทุกคนมีความสามารถที่จะทำได้ทั้งนั้นแหละไม่ต้องสงสัยถ้าเผื่อเอาจริงเอาจังเพราะสมบัติอันล้ำค่าพร้อมที่จะทำให้เกิดประโยชน์สุกมันพร้อมอยู่แล้วอันนั้นเกิดรูปสมบัติของพวกเราขาสองแขนสองสี่าอวัยวะทุกสัดส่วน เกตใจมีแต่ติมีปัญญามีความโล้พอที่จะเหนือเรื่องกิเลสที่มันชักจงจิตใจน่วงเหน่หนาวจิตใจของมนุษย์คนเราโดยเฉพาะชาวพุทธเพียงแค่สินห้านี่ก็ไม่ได้สนใจไม่อยากจะละเวทไม่อยากจะสร้างเอาตรงนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขจะคิดว่าไงพวกเราทีเนีย หน้าที่การงานของพวกเราที่รับผิดชอบอย่างพวกคณะสารต่างๆมีรับผิดชอบมีกฎหมายเป็นหลักตรงนี้อาตมาขอฝากไว้ให้พวกเราทุกท่านทุกคนนำไปเป็นกตินำไปเป็นตัวอย่างอย่าให้เสียโอกาสเสียเวลาการมาศึกษามาฟังมาฝึก อย่าให้เสียโอกาสเสียเวลาหน้าที่ของพวกเราที่มีความรับผิดชอบระดับนี้พี่น้องญาติโยม <c oughs> วันนี้ดูเวลาก็บ่ายสามเกครึ่งแล้วเห็นว่าพอสมควรเจ <c oughs> เวลาจุติตรงนี้ก็เลิกเปลี่ยนในบทคงไครของเราทีนี้ <c oughs>